วันนี้เป็นวันที่ห้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าทราบข่าวว่าจะมีพายุเข้ามาตั้งแต่วันที่สี่แต่ก็นิดหน่อยพอวันที่ห้าวันนี้ก็นิดหน่อยแต่มันจะไปทางไหนทราบข่าวว่าโอ้พายุตัวนี้เขาปกคลุมข่าวใหญ่เหลือเกินว่า อายุจะเข้ามาทั้งเวียดนามอิสานทั้งภาคของพวกเราแต่ก็คอยๆฟังคอยๆดูพราเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็กรมอุตุวิทยาทุกวันนี้สื่อต่างๆข่าวต่างๆมันถึงกันเร็วพวกอยู่เวียดนามเขาก็โทรมาบอ ก, กเรื่ออะไรมาบอก ลมมันจะไปทางไหนเอาควารู้ทิศทางลมเราไม่ตาคอยฟังฮะแต่ตามไม่จริงก็อยากจะให้ฝนตกเหมือนกันปีนี้รู้สึกว่าฝนแห้งแล้งนะดูที่ดูข้างวัดของเราดูข้างวัดของเราะ ย, ยายในดำนาไม่ไม่หมดทุ่งเลยปีนี้จำนวนที่ดำปักดำแล้วก็ก็ะท่อนกระแท่น สรุปแล้วก็คือน้ำไม่พอแต่ว่าส่วนอื่นเสียหายไหมถ้าส่วนอื่นเพศเป็นพืชไร่พืชไร่นะไม่เสียหายแล้วก็ยางพาราพวกกรีดยางพาราเนะี่ยดีใจอีกต่างหากพราะฝนไม่ตกพอมีเวลามากได้กีกรีดยาง แต่พวกที่ทำนาเนะี่ยรู้สึกว่าทำนารู้สึกว่าไม่ดีปีนี้การทำนาไม่ดีไม่ใช่ไม่เป็นผลดีนะแต่ส่วนอื่นจะดีก็จริงอยู่แต่ชาวนานะเป็นกระดูกสันหลังของชาติถ้าชาวนาไม่ได้ดำนาพวกชาวนาจะยากจนลงอีกเพราะทำนาไม่มีข้าวไม่พอกินนะและก็ไม่มีเงินซื้ออีกต่างหาก ก็ต้องเฮโลลงไปทำงานโรงงานในกรุงเทพถ้าหากว่าไม่มีเงินขนาดเงินข้าวไม่มีจะกินแล้วจะเอาข้าวไปจำนำได้ยังไงคนที่เอาข้าวไปจำนำคนต้องมีฐานะคนที่มีฐานะจะเอาข้าวไปจำนำแต่ถ้าว่าคนที่ข้าวอันจะกินก็ยังไม่พออยู่แล้ว ทำนาไม่มีข้าวจะกินไม่พออยู่แล้วจะไปจำนองจำนำได้อย่างไรดูสิว่าจะยากจนลงไปอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าดำนาก็ไม่ได้ดำนานาคิดเหมือนกันนาชาวนาเลยนะหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินไม่เหมือนข้าราชการถึงข้าราชการถึงจะเป็นข้าราชการครูระดับต่ำระดับไหนก็เถอะก็ยังดีกว่าชาวนานะลูกลานะ พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันชาวนาเนี่ยดูสิหลังสู่ฟ้านาสู่ดินถ้าฝนฟ้าอากาศไม่อื้ออํำนวยชาวนาก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงกระเสือกกระสนไม่รู้จะปักดำนาทาไรทำนาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ยังไงพอลูกหลานเก็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยนี่แหละอาศัย ส0ิบาทก็ยังชั่วหน่อยทุกวันนี้สาสิบาทนี่ก็เถอะถ้าหากว่าโรงพยาบาลไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีโรงพยาบาลก็ให้ยาหวยหวยกับพวกตาศีตาสาอีกเพราะมันเป็นได้ทั้งนั้นโลกนี่ไม่ใช่ว่าส0ิบบาทจะดีทีเดียวก็ไม่ใช่มันอยู่กับผู้ปฏิบัติด้วย คุณธรรมในะจิตใจของผู้ปฏิบัติด้วยทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อเป็นพระจุดส่วนกลางทุกระดับมาพูดให้หลวงพ่อฟังถ้าจะว่าไปเลยเหมือนหลว ง, งพ่อเหมือนถังขยะก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันนะแต่ละกลุ่มก็มาพูดมาระบายให้ฟังถึง อ, อย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อก็ฟังแต่ไม่ใช่เชื่อไม่ใช่เชื่อทีเดียว พอฟังเสร็จแล้วก็อ้างเหตุอ้างผลฟังเหตุผลมันเป็นไปได้ไหมก็สืบสอบดูอีกแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ว่าสืบสอบแล้วจะเอาผิดเอาถูกไม่ใช่มีถึงฟังกระมาพูดให้ลูกหลานฟังเป็นลูกตัวอย่างนะั่นลูกหลานเนอะพวกเราเป็นข้าราชการนี่นับว่าโชคดีมากนะแล้วก็ลูกของเขาลูกชาวไร่ชาวนานไปเรียนหนังสือก็ไม่มีค่า เล่าเรียนไม่มีค่าส่งเสียลูกของเขาขนาดยากจนอยู่แล้วก็ยังค่ารถแต่ละวันไปโรงเรียนก็ยังยากอยู่แล้วค่าทงค่าเทอมค่าสมุดตินสออีกตัางหากเนี่ยนี่คือเป็นลูกชาวนาชาวสวนพวกชาวบ้านสิ่งเหล่านี้พวกเราต้อง ผู้ใดอยู่ในสถานะไหนต้องพยายามทนตนให้เป็นคนดีสรุปแล้วอย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่บางวัดก็รู้สึกว่าท่านก็อยู่แบบเข้มๆอยู่แบบธรรมดาแต่ท่านก็อดดูได้เพราะท่านมุ่งหวังคุณธรรมทางด้านจิตใจท่านมุ่งหวังเพื่อภาวนาหาทางพ้นทุกข์เพราะ ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่อย่างปองหลวงพ่อเองได้ศึกษากับครูบาจารย์ท่านก็บอกให้หยุดในสถานที่อดๆจากๆนั่นแหละสถานที่อดๆจากๆนั่นแหละ เ, เป็นสถานที่เพาะเพาะชำธรรมะให้เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าสถานที่ไหนล่ำรวยมีอะไรปัจจัยสีเหลือเฟือฟุ่มเฟือย โดยมากทำในจิตใจจะหดเหี่ยวเพอเพอ เ, อ, เอยังห ล, ลงหลงไหลในโลกกระทำอีกกระทำให้จิตใจหมดธรรมะงอกธรรมะไม่งอกเงยในสถานที่เชนน่นนั้นอันในครูบาอาจารย์ท่านก็บอกกล่าวอันนี้ก็เป็นแนวให้พวกเราได้ศึกษาทั้งนั้นแหละมาพิจารณาดูก็ใช่แต่หอกพวกเรา ไม่ภาวนาเนี่ยมีแต่กินเต็มที่นอนเต็มที่ส่งเสริมร่างกายของเราเต็มที่กิเลส ท, ทางด้านจิตใจก็เฟื่องฟูฮะแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่แบบอดอดยากๆอดนอนบั่งพ่อนอาหารบาั่งแล้วก็พยายามภาวนาให้มากพยายามติดต่อทางด้านจิตใจให้สม่ําเสมอจิตใจของเราก็จเจริญงอกเงย กิเลสก็รู้สึกว่าคดเหี่ยวลงไปเพราะนั้นพวกเราจะเอาอยัางไงเป็นนาทีของพวกเราสาหรับฝ่ายพระสงฆ์อยู่ข้างในแต่สำหรับฆราวาิญาติโยมแล้วก็มันก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพมั่นขยันให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง สมัยในหลวงพูดตราสขึ้นมาใหม่พวกเราก็มาถกเถียงกันคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงในขนาดไหนจึงจะว่าพอเพียงเราอยู่แบบไม่กระตือเรือร้นอยู่เป็นวันๆไปอยู่งี้อยู่น้อยๆกินน้อยๆใช้น้อยๆอย่างนั้นใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงแต่ตามไม่จริงเศรษฐกิจพอเพียงให้หมันขยันอดทน แต่อย่าไปเป็นนี่เป็นศีลผลุงพลังให้รู้จักประมาณตนในการใช้สรุปเรื่องก็คือให้มองตนเองการละเทษะบุคคลให้ดูตัวดูตัวเองแต่ให้รู้จักหาแล้วก็ให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้หาอุทานะสัมปทานในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอุทานะสัมปทาน ถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ให้สอนให้ขี้เกียจนะให้ว่าอุตฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันรักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยวามรักษาเมื่อหมั่นขยันมาได้แล้วก็ต้องให้รักษาเอาไว้ไม่ใช่ว่าขยันมาขยันหาเงินออกมาแล้วก็เหมือนกับเราขยันตักน้นะํานี มาตักน้ำใส่ตุ่มกนรั่วอย่างนั้นนะตุ่มมันก้นรั่วเราขยันตักเทลงใส่ตุ่มตักทั้งวีตักทั้งวันขยันแต่ตุ่มมันก้นรั่วนะมันจะเต็มน้ำได้อย่างไรเพราะตุ่มมันก้นรั่วนะอันนี้เหมือนกันใจของเรามันรั่วเก็บเงินไม่อยู่พอเงินเข้ามาอยู่ในกา ม, มือเท่านั้นแหละเหมือนกับฐ่านไฟเข้ามาอยู่ในกา ม, มือสะบัดซ้ายสะบัดขวา ไม่รู้จักเก็บเห็นอะไรอยากจะซื้อหมดไปตกขวางหน้าเผลอเผอขีอ้อวดใส่เขาอีกต่างหากข่ามีเงินเท่านั้นเท่านี้อีกต่างหาก อ, อันนั้นคือไม่รู้จักเก็บตตอตามไม่จริงการเก็บเก็บเพื่ออะไรก็ต้องมีความหมายอีกถ้าเราเก็บสะสมไว้เฉยๆโดยไม่มีความหมายเก็บกองไว้เฉยๆอันนั้นก็เก็บอืแบบไม่คิดไม่อ่านอีกเหมือนกัน ถ้าเก็บไว้กับเพื่อใช้ในอนาคตเมื่อมีคราวจําเป็นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอนาคตไม่มีใครรับประกันได้ว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับตัวของเราเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตบางทีอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีอาจจะดินฟ้าอากาศ ข้าวยากมากแพงบางทีอาจจะโรคระบาดบางทีอาจจะธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ําท่วมแผ่นดินถลม่มมันเป็นไปได้ทั้งนั้นอยู่ในโลกแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้จะดีกว่าดีกว่าได้มาแล้วก็ไม่เก็บไปรักษาเนี่ยรักษาเก็บรักษาไว้เพื่ออนาคตแต่ว่าเก็บรักษารักษาไว้ใส่ธนาคารเอาไว้เก็บไว้ที่ปลอดภัย รู้วาซื้อที่ดินเอาไว้ถ้ามันมีเงินอันนี้เราอะอราคะสัมปทาพรึงพร้อมวยการรักษากาญยาณมิตรตาให้มีเพื่อนที่ดีให้เพื่อนที่ดีคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวกอย่าไปเอาลัดเอาเปรียบเขาเกินไปต้องช่วยเหลือเจือจานกันในหมู่พวกเพื่อน เมื่อเขาช่วยเราเราช่วยเขาถ้าเราต้องหมู่กันระยะนานมิตรถ้าใครเป็นเป็นมิตรที่ดีกับเราเราก็เป็นมิตรกับที่ดีกับเขาพึ่งพาอาศัยกันอย่าไปเอารัดเอาเปรียบเขาจนเกินไปอันนี้ว่าการยานมิตระะาตาตาสัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปคดไปโกงอย่าไปป้นไปขี้อย่าไปคอรับชัน อย่าไปขายยาบ่งยาบ้า อ, อย่าไปรับจ้างทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อ, อันนี้พ่อสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่หลอกลวงไม่โกหกไม่พ้นไม่เบียดบงังทรัพสมบัติคนอื่นของเขามาเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเ อ, อันนี้แล้วว่าสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ นี่แหละอันนี้ว่าทิฏฐธรรมไม่กิดตประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันสอย่างฮะเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดสําหรับพวกฆราวาสผู้คลองเรือนจะทำตอนอย่างไรในขณะที่คลองเรือนให้มันให้ขยันให้ข้อแรกให้ขันมันขยันในการเรียนหนังสือ ในการสะแสวงหาวิชาอาชีพให้ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพการงานทุกอย่างถ้าเราอยากจะเป็นขรรษการเราก็ต้องหมั่นขยันในการเรียน ก, การศึกษาอุทานะสัมปทาอรกคะสัมปทาเมื่อได้มาแล้วให้รักษาหน้าที่ตำแหน่งตำแหน่งเมื่อเราได้ตำแหน่งมาแล้วนาทีมาแล้ว เราจะไปทําสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําให้ดีบางทีเขาอาจจะไล่ออกจากหน้าที่การงานถอนวิชาอาชีพของตนเองอันนี้ทำไมถ้าเราไม่รักษาถ้าเรารักษารู้จักวิธีการรักษาจะทําผิดตดกฎหมายอันนี้ว่าอรักะสัมปทากัลยาณมิตรคบเพื่อนที่ดีงามสำมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอันนี้คือการ เป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายอาศัยปัจจัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมในการเป็นอยู่นี่แหละพระพุพทธเจ้าท่านก็สอนไว้แต่ท่านก็สอนเน้นลงไปอีกว่าสำหรับพระเนี่ยท่านมองว่าถึงพวกท่านทั้งหลายจะดูแลร่างกายอยู่ดีมีสุข ถ, ถึงขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งพวกท่านจะต้องถึงจุดจบ คือมรณะภยัยไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ภัยตัวนั้นยิ่งใหญ่นักเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก <Okay. S 1> นรกสวรรค์มีกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังสิ่งเหล่านี้คือทำคําสอนของ พอพระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นระดับระดับระดับระดับหนึ่งระดับการเป็นอยู่ระดับแนวความคิดระดับที่จะข้ามพบข้ามชาติระดับที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดท่านสอนไว้เป็นให้พวกเราได้ศึกษาทั้งนั้นเพราะนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาเนี่ยไม่ใช่อยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง มีหลายระดับเหมือนกับเราเรียนประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกอย่างนั้นนะขนาดเอกก็ยังเอกคนละแนวอีกเอกแบบนั้นเอกดีแต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอกของพระพุทธศาสนาเอกทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนีสุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์เตวิชโชสละพินโยปฏิสามพิทัปัตโต อันนี้รวนแล้วจะเป็นพระหรหันต์พระหรหันต์มีอยู่สี่จำพวกแต่ว่าพื้นฐานเสมอกันพระหรหันต์สี่จำพวกนียเหมือนกันแต่ว่าที่มีผลต่างกันก็นกคืออิทธิฤทธิ์หรือบุญวาดาสนาบุญหนักสักใหญ่แต่บางคนก็เหมือนได้เป็นพระหรหันต์จำเร็จเป็นพระหรหันต์แต่มีอยู่มีฉันธรรมดา แต่พระหรหับางจําพวกล่ํารวยศรัทธาญาติโยมมามากเพราะอเนกสง์ทานของท่านมาในอดีตชาติแต่พระหรหับางจําพวกท่านรู้ว่าท่านเป็นพระหรหันหมดจดจากกิเลสและจบแล้วก็ท่านรู้เพียงแค่นั้นแต่พระพระหับางจําพวกมีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิฤทธิแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินฟ้าได้สมัยครั้งพุทธกาล อันนี้เรียกว่าพระหันมีอยู่สี่จำพวกแต่พระหันสี่จําพวกนี้เป็นอเาเซคะเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกไม่เหมือนปริญญาเอกนะปริญญาเอกแขนงนี้ยังต้องการแขนงนนต้องการนะเพอเผยยังแขนงตัวเองอีกเรียนจนเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นผู้ชํานาญการเหนือกว่าอีกเหนือกว่าดอกเตอร์อีก เนื้อก็ปลื้เหนือกว่าปริญญาเอกอีกฮะแต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเป็นว่าอาัศเฆาผู้ไม่ต้องศึกษาเป็ว่าจบเพียงเท่านั้นคือพระหัน์ไม่ต้องศึกษาอีกสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นสิ่งที่ส่วนเกินหรือว่าส่วนที่บา ร, รมีเก่าของตัวเองในอนดีตชาติที่มาให้เกื้อกูลหนุนอย่างที่ว่าพระโมคคลา อดีตชาติท่านบำเพ็ญมาทางเรื่องเลตเรื่องเดชเวลานั่งภาวนาเนี่ยท่านจะกําหนดเรื่องอิทธิฤทธิ์นะแต่งภาษาไร้บทท่านก็เน้นไปทางปัญญาเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเป็นอะไรเนตดังวิชาอาชีพวิชาความรู้เรื่องวิชาต่างๆนี่แหละอันนี้ก็คือมันท่านเป็นมีอุปนิสัยเก่าแก่ดึกตําบันในแต่ละแต่ละท่านแต่ละองค์ จากนั้นพระอสิฉริมหาสาวกแปดสิบได้รับเอตตะคะต่างกันก่อนนี่แหละก็คือบุญบา ร, รมีเก่าของแต่ละองค์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่เหมือนกันบางองค์ก็นะดูแลวัดวาศาสนาดูแลการจัดเจ็บดูแลหมู่พวกเพื่อนบางองค์ดูแลครูบาอาจารย์ดูแลพวก ศรัทธาญาติโยมจะมาเกี่ยวข้องนะคือสรุปแล้วก็คือมันเป็นเป็น เ, น เ, นเอตตะคะหรือว่าไปเป็นเป็นแนวทางแต่ละองค์ละอ ง, งค์ฮะเนีในครั้งพุทธการก็เหมือนกันพระสงฆ์ที่เป็นพระเีระผู้ใหญ่ท่านก็ได้รับเอตตะคะแต่ละแต่ละองค์ละองค์เหมือนกันคือได้รับยกย่องะจากพระพุทธเจ้าว่าเออองค์นี้เป็นผู้ชํานาญในพระวินัยนะ ถ้าเกี่ยวกับวิไนแล้วเนะี่ยองนี้นะให้องค์นี้เป็นผู้ฟิในิชชัยเลยละเอียดอไปว่าหนึ่งไม่มีสองเลยถูกต้ององค์นี้เป็นผู้ชํานาญในฟินไนแต่องค์นี้ชนานาญในพั ส, สตรคือเรื่องราวที่เป็นมาอย่างไรองค์นี้จําได้แม่นเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นะจําได้แม่นทั้งหมดาถามท่านได้เลยฮะเนี่ยเพราะนั้นแต่ละแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันแต่บางองค์ก็มาเด่น ท่านก็ไม่ได้สนใจจบแล้วก็คือจบไปแต่บางองค์เท่ท่านเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเป็นผู้มีบุญเก่าแก่มาแต่ดึกดำบันเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลมาในอดีตชาตนะิได้รับเอตตะคะอย่างนั้นอัลลอฮฺอนนะุโมตนาให้พ้